ยาสานุสังรณีนาปิอันตะเลขีปิปานิโนปติธาติขัตฉันติภูมิยังวิยาสับปธาสัพพุปธาวาชาลัมหายาฆาจงราทิสัมภวาคันนันนาจมุตานัง ปังรีตังตังพณามาเหเอวังเมสุตัง เอกังสมัยยังภะคะวัสาวันทียังวิหรติเชตวันเนออนนาทพินติกาสาราเมตตระโคภะควะพิคูอามันเตสิพีขวติพาทันเตติเตพิคุภะคะวโตปัจจโสสงภะคะวะเอกตโวจา ภูตาปุพังเพคเวเทวาสุนระสังคาโมะสมโมยุนหะอะโหสีอาตะโคภีเควสัะโกเทวนณเมินโทเทเวตาวติงเสอามันเตศสเจมาริสาเทวานางสังคามคตานางอปาเชยพยังวาสัมเพตตังวา โลมหังโสวามเเมวตสมิงสมเยทะชาคังอุโลกย่างธรมมังฮิวทชาคังอุนโลกยตังย่างภาวิสติพยังวาชัมปิตตังวาโลมหังโสวาโสปิเยสติโนเจเมทชาคังอุนโลกยะทัถะปชาปเตสเถ วังราชาสัทชาคังอวนโลเกยาทะปชาปฏิสหิวะราชาสัทชาคังอวนโลกายตังยางพรวีสติพยยามวาชัมพิตังวังรนมหโสวาโสปิเยสตินูเจปชาปฏิสเทวังราชาสัทชาคังอนโลเกยาทะอาทังร วังรุณสเทวยังราชาสัทชาคังอุนโลแกยาทวันรุณาสหิวเทวังราชาสัทชาคังอวนโลแกยะต่างอย่างพเวสติพยังวาชัมพิตาต่างวาโลมหังโสวาโสปิเยสติโนวเจวันรุณาสเทเวยังราชาสัทชาคังอุนโลแกยาทัธาอิสา นาสะเทวราชาสะตาชาคังอุนโลเกยาตอิสานาสหิวะเทวราชาสะตาชาคังอุนโลกยะตังยังพระเวสติพยังวาชัมปิตตังวาโลมหังโสวาโสปิเยสติตังโคปนาเพขเวสกัสวาเทวานมินทัสตาชาคังอุ อุนโลกกายตังปชาประฏิศวะเทวันราชาสัทชาคังอุนโลกยตังวันรุณาสวะเทวนราชาสัทชาคังอุนโลกยตังอิสานาสวะเทวังราชาสัทชาคังอุนโลกกยตังอย่างพรวิสติพยังวาชามิตตาตังวาโลมหังโสวาเย ท้าปิโนพีปหีเยทันตังกีสเฮตุสาโคหิเพฆเวเทวานมินโทอหวีตังราโคหวีตะโทโสหวีตโมเพียงรู้ชัมเพีอุตราสีปังรายีติอาหารจะโคหิเพฆเวเอวังวัฒามิสเจตุมหากังเพีขเวอกรัญญาทัตตา นางวางรัวขมัวรักขานางว่าสุนย่างขางรักขานางว่าโอปาเชยพยังว่าชัมพิตัตกังว่ารัวมหโสัวมาเมว่าตาสมิงสัมเยอนุสังเรยาตาอิติปิโสภาขวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาจักรณัสัมปันโนสุขโทโลกัมวิ อนวั้งรัวบุริสัทธมสารติสัทธาเทวมนุสานังวโทภะวาติมังอวเพิกะเวอนุสังรตังยังภเวสติยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโสวาโปิยสติโนเจมังอนุสังเรยธาธาธรรมังอนุสังเรยสวา ตาโตอันภาวตาธรรมมัวสันทิติโกอาการิโกเออิปัสสิโกะอวัปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินยัวหิติธรรมังอวะพีคเวอนุสกรตังยางพเวสสติพยังวาชํมพิตตังวาลมหังโสวาโสปิเยสติโนเจธรรมังอนุสเร เียธาธสังฆานุสเรียธาสุปฏิปันโนภาควาตวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาตวสาวกสังโฆญาปฏิปันโนภาควาตวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควาตวสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปวัคนว เอสัปะขาวตวสาวกสังขอาหุเนยโยปาหุเนยโยตากิเนยโยอัญชลีกัระมิโยอันโนตังางปูนยางเขตังโลกัสสติสังขังอิวะเพฆเวอันโนสังกะตังยางภเวสติพยังมวาชัมพิตตังวาโลมหังโสวาโสปิเยสติตังกีสะเหต ตุทัฏฐตัตโตอิเพิกเขเวอัรหังสัมมาสัมพุทธวเวตระเวตถวโสเวตโมโหอภิญงรุชัมภีอนตัณราสีอปาลายติธมวจจะภควาอิทังวตวานสุขตอัฐาปรางเอกาทวจะสาทารันยรุขมวเลวสุนยาคานเรวเพ อโนสเรทะสัมพุทธังพยังตูมหาโคนสิยาโนเจพุทธังสเรยาทะโลกเจทงนราสะพังอธามางสเรยาธนิยานิกังสุเตสิตังโนเจทะมางสเรยาธนิยานิกังสุเตสิตังอธัสังทังสเรยาทะปุญญาเขตังอนตัวตรางเอวัง ทางสรัรตานางธรรมังสังคัญจะเพียรข้าวพยังว่าัมพิตตังว่าโลมหังสโสนาเหสตี